ตอนนี้ตอนเย็นก็ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาว่ามันไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตรองไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือความคาดหวังแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีศรัทธาในพระัตนนัตายหรือมีความเข้าใจใน พุทธศาสนาแต่ถ้าหาว่าวางใจถูกนะมันก็เกิดผลนะเพราะว่าผลนี่ขึ้นอยู่กับเหตุอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาตินะถ้าประกอบเหตุได้ถูกนะผลก็ยอมเกิดขึ้นอย่างชาวเขาเนี่ยที่เขาช่วยหลวงปู่มั่นตามหาพุทโธ เขาก็ไม่เคยเห็นพุโทโธแล้วเขาก็ไม่รู้จักการปฏิบัติทมการทำสมาธิแต่ว่าพอเขากำหนดจิตอยู่ที่พุโทโธระหว่างที่เดินกลับไปกลับมาจิตเขาเกิดความสงบได้นะตั้งมันเป็นสมาธิทั้งทั้งที่ไม่ได้รู้เลยว่าที่ทำนั้นเนี่ยก็คือการทำสมาธิ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ความสงบคิดแต่เพียงว่าจะตามหาพุโทโธให้หลวงปู่มั่นนะอันนี้มันก็เชื่อเห็นว่ า, าการการภาวนานะหรือว่าการฝึกจิตเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรมากนอกจากว่าการวางจิตวางใจถูกต้อง ไม่ต้องมีความเชื่อไม่ต้องมีความรู้ก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีทาให้เกิดศรัทธาแต่ถึงแม้จะมีมีความรู้ทางด้านปริยัติลึกเยอะนะแต่ว่าวางจิตวางใจไม่ถูกนะเช่นปยาบังคับจิตพยายามไปเพ่งดักจ้องความคิดมันก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสงบได้ที่ประเทศอเมริกาเมื่อซัก ห้าสิบปีก่อนเนี่ยมีพระลามะพระธิเบตท่านหนึ่งนะจนชื่อลามะเยเช่นะลามะนี่แปลว่าอาจารย์เราคงทราบด่แล้วว่าเมื่อสักเกือบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยนะจีนเข้าไปยุทธิเบศพระธิเบ ต, เบตก็เลยอบพยพบหนีมามาอยู่ที่อินเดียแล้วก็ตอนหลังก็ ได้รับนิมนต์ไปอเมริกาบ้างยุโรปบ้างร า, างมายยิเชนี่ได้รับนิมนต์ให้ไปอเมริกาท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษนะแล้วก็แก่ชารามากเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุห้าสิบหกสิบนี่ไม่เคยเห็นรถยนต์เลยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินนะเพราะว่าที่เบตนั่ยมันไม่มีรถยนต์ เรียกว่าออกจากออกจากโลกนะที่เก่าแก่มาเจอโลกสมัยใหม่เรียกว่าคนละโลกกันเลยนะแต่ปกว่าท่านสามารถที่จะสอนหรือว่าชักชวนให้คนอเมริกันเนี่ยทันมาสนใจสมาธิภาวานาได้นะก็น่าแปลกนะผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้นะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ สังคมที่นั่นเท่าไหร่ว่ามันคนเขาอยู่กันยังไงแต่ว่าสามารถที่จะทาให้คนอเมริกันซึ่งมีความรู้หันมาสนใจทาสมาธิท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะเรื่องสมาธิจะทาสมาธิก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นแหละก็คือหนึ่งหายใจ ม, มีลมหายใจหรือเปล่าถ้ามีลมหายใจ นะอันนี้มันก็ทำสมาธิได้ละสองมีความเมตตากรุณามไหมทออ่านจะถามคนแค่นี้แหละฝรั่งเขา ก, กลัวนะว่าสมาธิภาวนาเป็นเรื่องยากท่านก็จะถามเนี่ยมีมีสองอย่างนี้ไหมหนึ่งคือมีลมหายใจไหมสองมีความเมตตากรุณามไหมถ้ามีสองอย่างนี้ก็ภาวนาได้ท่านก็ว่าอธิบายว่าลมหายใจเนี่ยมันก็ ช่วยทําให้เกิดความสัมพันธ์กับตัวเองทําให้เกิดความสงบสันติในตัวเองส่วนความเมตตากรุณานี่มันช่วยทําให้เกิดความสงบสันติกับผู้อื่นนะการปฏิบัติธรรมก็มีแค่สองอย่างนี่แหละคือว่าทําให้ใจสงบภายในแล้วก็มีความสงบมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อื่นถ้ามีสองอย่างนี้ก็ภาวนาได้แล้วนะ ทำสมาธิได้แล้วถ้าท่านทาแม่สมาธิพนากรรมเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองมากนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเป็นหรือไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่เป็นไรนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไม่ต้องรู้ว่าพพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ต้องรู้ประวัติพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ได้ ให้มาทำเลยนะก็ปรากฏว่าคนก็หันมานะมาทำสมาธิภาวนาท่านก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะทะทังที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่หลวงปู่ ม, มั่นเนี่ยสอนให้ชาวเขานี่เขารู้จักสมาธินะโดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรมาก พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะก็ทำให้นึกไปถึงสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลนี้ก็มีมีเรื่องเล่านะว่ามีพระอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยท่านนะจาริกก็คงจะไปเฝ้าพุทธเจ้านะแต่ว่าเข้าบรรษาซะก่อนนะไปไม่ถึงไปไม่ถึงเชตวัน ก็เลยต้องหาที่พักแรมจํารรษาก็ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งนะหมู่บ้านนี้นี่ก็มีที่สงบสงัดก็สืบความก็ได้ความว่าที่ที่สงบสงัดนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของอเศรษฐินีคนนึ่งนะชื่อว่านางมาติกะมาตานะก็จะว่าเป็นเป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านนะ ก็เป็นคนที่มีเมตตานะพระนี่ก็ถามว่าจะขออาศัยที่ของนางเนี่ยจำบัญสาได้ไหมนางก็ยินเดียนอนุ ญ, ญาตนะแล้วก็อ า, อาสาด้วยนะว่าจะหาอาหารเนี่ยจะทำอาหารมาส่งให้นะฝ่ายพระนะ ซึ่งมากันหลายรูป ก, ก็เมื่อได้ที่จับมันสาแล้วก็ตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันแบบปฏิบัติคนละทิศคนละทางนะจะไม่มีการพบปะ พ, พูดคุยกันยุคเว้นว่าเวลาได้เวลาอาหารก็มาก็มามาบินทบาทนะมารับบินทบาทแล้วก็แยกยายกันไปฉันจะมาเจอกันก็แต่เมื่อมีเหตุ และเหตุนั้นเนี่ยนะเหตุที่จะต้องมีประชุมก็คือต้องมีการตีระครังนะเมื่อมีการตีระครังก็จะแสดงว่ามีมีเหตุที่จะต้องมามาพบปะ ก, กันแต่ถ้าไม่มีเสียงระครังก็ยายักกันไปปฏิบัติก็เป็นไปอย่างนี้นะอยู่พักใหญ่นางมาติกามาตาก็ให้คนใช้เนี่ยมาเอาอาหารมาถวาย มาใส่บาทวันละครั้งแล้วก็มีวันหนึ่งนางก็อยากจะมาพบปากนะอยากจะมาไต่ถามข่าวคราวว่าพระท่านอยู่กันสบายดีไหมมาถึงก็บอกว่าเงียบสงัดไม่เจอใครเลยคนชาก็เลยบอกว่าต้องตีละครั้งนะพระถึงจะมาก็ตีละครั้งเป็นสัญญาณ พระได้ินเสียงล้วครั้งก็มากันจากคนละทิศคนละทางนางมาติกามาตายเห็นว่าพระนี่มาจากคนละทิศคนละทางก็สงสัยว่าพระคุณเจ้านี่ไม่ถูกกันหรือไงนะถึงมาถึงอยู่กันคนละทิศคนละทางคือนางนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเกี่ยวเรื่องการเรื่องธทำเนียมพระหรือเรื่องการปฏิบัตินะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเจอพระมา ก, ก่อน พระก็อธิบายว่าไม่ได้มีอะไรมีเรื่องทะเลาะ ก, กันเพียงแต่ว่าตั้งใจจะมาปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติด้วยความสงบสงดัดนะก็เลยต่างคนต่างอยู่ไม่มีธุระ ก, ก็ไม่พูดคุยกันนะมีเรื่องมีราวถึงค่อยมาพบปะกันอันนี้คงจะรวมถึงเวลาปฏิโมกโดยเวลาเวลาสวดปฏิโมกก็จะมาประชุมกันเสร็จปฏิโมกก็แยกย้ายกันกลับ นี่นําปติการมาตายได้ยินก็สงสยัยแล้วก็สนใจว่าออมีการปฏิบัติด้วยเหรือปฏิบัติอย่างไรนะพระที่เป็นผู้นําก็อธิบายนะว่าปฏิบัติด้วยการพิจารณาอาการสายสิบสองเรียกว่ากายคตาสตินะเราก็คงสวดเป็นประจําอยู่แล้วนะกายคตาสติหรือว่าการพิจารณารสายสองว่าเกษาโรมานนักฐันตาตาโจเนี่นะที่นางก็สนใจนะก็เลย ซักถามวิธีการนะเสร็จแล้วก็อาไปปฏิบัตินะสนใจขึ้นมาก็ไปปฏิบัติปฏิบัติได้ไม่นานเขปรากฏว่าบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีนะบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีส่วนพระเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยนะยังเป็นปุถุชนอยู่นางได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีก็มีอภิญญารู้วรารจิต ของพระก็นะอย่างจิตไปพิจารณาดูว่าอาพระที่มาปฏิบัติในที่แห่งนั้เป็นอย่างไรก็เพราะว่ายัางเป็นปุถุชนอยู่นะ้าก็สงสัยเอ๊ะทำไมาการปฏิบัติมีอะไรติดขัดไหมนะถึงยังไม่เจริญก้าวหน้าพิจารณาไปก็เพราบว่าอ๋อเป็นเพราะว่าอาหารไม่พอเพียงนะอาหารคงจะน้อยไปหน่อยนะ ก็เลยสั่งให้คนใช้เนี่ยว่าทีหลังก็เอาอาหารมาให้เพิ่มมากขึ้นนะบอกว่าไม่นานนะพระเหล่านั้นเนี่ยก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็น่าสนใจนะว่าอาหารนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะตั้งใจปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าอาหารไม่ไม่พอเพียงนะการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้เจ้าแนะนำนะพระหรือว่าผู้สนใจฝ่ายธรรมเนี่ยให้ปฏิบัติเนี่ยก็ท่านจะพูดถึงเรื่องสับ ป, ป ย, ยะสัพปะ ย, ยะแปลว่าสบา ย, ยสับ ย, ยะสบายนี่ไม่ได้แปลว่าสบา ย, ยแล้วนั่งเล่นนอนเล่นนะสบา ย, ยนี่แปลว่าเกื้อกูลต่อการปฏิบัติแล้วก็สับปะ ย, ยะข้อหนึ่งก็คืออาหารนะการ สถานที่โคจรหาอาหารอินทบาท <c oughs> สะดวกแล้วก็อาหารก็พอเพียง <c oughs> อันนี้และเรื่องนี้ก็ยังชี้เห็นว่าเนี่ยขนาดคนที่ไม่รู้ธรรมะอะไรเลยนะคือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เคยได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าได้ซ้ำแต่พอปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติถูกน ะ, ะก็เห็นผลได้ทันทีเหมือนกัน อเรื่องนี้ก็ก็มีต่อนะเพราะว่าเมื่อออกพรรษาแล้วเนี่ยนะพระกลุ่มนั้นก็ซึ่งตอนนี้เป็นพระอรหันต์ก็เดินทางไปเฝ้าทศเจ้านะแล้วก็ไปเล่าเนี่ยว่าเนี่ยเราถึงนางมมติกะมาตานี่แหละอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะว่าคนที่ไม่มีพื้นธรรมะเลยเนี่ยถ้าว่าปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องก็เห็นธรรมด้วยเหมือนกัน แล้วก็สามารถจะ ก, ก้าวหน้าครูบาอาจารย์ด้วยนะอาจารย์นี่ยังเป็นปุตุชนอยู่เลยแต่ลูกศิษย์นี่ไปล้วเป็นพระนาคามีแล้วนะแล้วก็ชี้เห็นว่าเนี่ยคาราวาสนี่ก็สามารถบรรลุธรรมได้นะบรรลุธรรมนะเป็นถึงพระนาคามีได้นี่เป็นกาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยซ้ำํำนะ แต่ขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติได้ถูกไหมวางใจถูกต้องไหมพระพุทธศาสนาจะมีคํา ำ, ำหนึ่งนะคือทำมานุธรรมะปฏิบัติแปลว่ามันที่ก็แปลว่าปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมอันนี่เป็นคําที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมเนี่ยนะมันก็เกิดอุปสรรคนะเกิดความลําบากขึ้นได้ ปฏิบัติธรรมโดยสมควรก่ธรรนี่หมายความว่ายังไงก็เช่นว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรปฏิบัติธรรมแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องต้องรู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายคืออะไรก็ปฏิบัติผิดได้ถึงแม้รูปแบบจะถูกนะอายุตัวอย่างเช่นง่ายๆในการให้ทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะจุดมุ่งหมายคือว่าลดความตนหนี เป็นเครื่องกําจัดความต น, นีลดความโลภนะลดความเห็นแก่ตัวนะลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอีกข้อนึงก็คือเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นถ้าทําถูกนะวางใจเป็นเนี่ยก็จะได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือว่าสงฆ์ข้อผู้ที่เดือดร้อนหรือผู้ที่สมควรได้รับทานนั้น ส่วนประโยชน์ตัวก็คือว่าลดละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าถ้าไม่ถ้าวังใจไม่ถูกเพราะไม่รู้จุดมุ่งหมายเนี่ยการให้ทานก็อาจจะกลายเป็นการเพิ่มกิเลส ก, ก็ได้อเช่นทําบุญเพราะหวังรวยทําบุญเพราะอยากจะให้คนชมหรือว่าทําบุญอเอาหน้าเนี่ยมีคําพูดมันมีคําว่าทําบุญเอาหน้าภาวนาตอแหลเนี่ยเคยได้ยินไหม ก็คือว่าภาวนาก็ต้องการโชว์ให้เห็นว่าฉันเนี่ยเป็นนักภาวนาแต่ว่าจิตใจกิเลสไม่ได้ลดเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่รู้ไม่รู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินะศีลเนี่ยก็เพื่อขัดเกาวตนเองนะไม่ใช่เพื่อไปกดข่มใครไม่ใช่เพื่อโชว์ว่าฉันนี่เป็นผู้มีศีลแล้วก็ไปกดข่มคนอื่น อันนี้เรียกว่าผิดจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลขืนทาแบบนั้นนะก็ไม่มีความสุขนะแล้วก็กุศลก็ไม่เจริญงอกงามภาวนาเหมือนกันนะภาวนานี่ก็เพื่ อ, อเพื่อความพ้นทุกข์นะเพื่อลดละกิเลสเพื่อการมีปัญญาเห็นความจริงแจ่มแจ้งในสัจธรรมจนหมดความยึดติด ถ, ถือมั่น แต่ถ้าภาวนาเพราะเหตุอื่นนะต้องการโชว์ต้องการอวดคนเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติผิดละหรือว่าต้องการเห็นสีเห็นแสงนะหลายคนก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยภาวนานะเพื่อจะได้เห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตเพื่อได้ไปนรกเห็นนรกสวรรค์หรือว่าเพื่อจะได้มีอภิญญาเหาเหินเดินอากาศได้อันนี้ผิดละเรียกว่าไม่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม แล้วคนที่ปฏิบัติผิดแบบนี้ก็เยอะมากเพราะว่าไม่รู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินะล้วทําในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรอีกอันนึงก็เช่นสันโดษเนี่ยสันโดษแปลว่าพอใจสิ่งที่มีนะยินดีสิ่งที่ได้แล้วก็รวมทั้งการอยู่แบบง่ายๆนะอยู่แบบอสมถะนะอันนี้เนี่ยมันช่วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อว่าจะได้ไม่ไปเสียเวลาทํามาหาเงินนะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฟุ้งเฟอ้อนะคนที่ไม่รู้จักพอในการบริโภคเนี่ยมันก็จะเสียเวลาในการหาเงินหาทองหรือแม่ก็เสียเวลาในการเสพการบริโภค เ, เอาเวลาทั้งวันนะทั้งเดือนเนี่ยเอาแต่ดูหนังเที่ยวเตะอันนี้ก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้ ปฏิบัติธรรมหรือทำความดีแต่ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะนะอยู่ง่ายกินง่ายนะความจําเป็นที่ต้องหาเงินหาทองมันก็น้อยลงก็มีเวลาเหลือที่จะไปทำความดีหรือว่าศึกษาปฏิบัติธรรมนะแต่บางคนเนี่ยพอสันโดรแล้วเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีความจำเป็นต้องหาเงินมาก วันวันหนึ่งอ่อวันหนึ่งก็อาจะหาเงินสักสองามชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะหาเงินสักสองสาวันก็พอแล้วแล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือก็นั่งนั่งนั่งนอนนอนนั่งเล่นนอนเล่นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เราปฏิบัติผิดละคนที่ปฏิบัติสันโดษแบบนี้มีเยอะนะก็คือว่าอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เลยไม่ต้องใช้เวลาในการหาเงินหาทองมากเวลาที่เหลือก็เลย ไม่ทําอะไรนะนั่งเล่นนอนเล่นอะจุดมุ่งหมายของสันโดสนี่ก็เพื่อจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําความดีไปพัฒนาชีวิตจิตใจนะหรือว่าไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นเพราะสันโดษเนี่ยถ้าทําไม่ถูกเนี่ยก็จะกลายเป็นขี้เกียจนะกลายเป็นขี้เกียจไอ้ผู้จ้านี่ก็จะก็เลย ก็เลยย้ําว่าเนี่ยสันโดษนี่ต้องคู่กับวิริยะต้องคู่กับความเพียร น, นะความเพียร น, นี่เพียรอะไรนะเพียรทําความดีเพียรศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็เพียรสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นถ้าไม่มีวิริยะนี่มันก็จะกลายเป็นขี้เกียจได้นะเรียกว่าสันโดษผิดผิดทางอันนี้แล้วก็ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำนะไม่ใช่ธรรมานุธรรมปฏิบัติอันนี้การ ปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมนี่ก็ยังมีความหมายว่าให้ปฏิบัติธรรมนะอย่างรู้จักพอดีหรือว่าสมดุลนะเพราะว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลายข้อแล้วก็มีหลายคู่นะถ้าปฏิบัติธรรมอันใดอันหนึ่งมากไป ก็อาจจะเกิดความเสียหายได้อย่างเช่นเนี่ยที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสันโดษนะแต่ว่าไม่มีวิริยะอันนี้ก็มีปัญหาหรือว่าทําสมาธิมากไปแต่วิริยะอ่อนอันนี้ก็เกิดปัญหาได้กลายเป็นคนเฉยเหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรอยากจะนั่งอยู่ในบ้านอยากจะนั่งอยู่ในห้องพระนะอยากจะอยู่ในกุฏิอย่างเดียวนะจิจส่วนรวมไม่ทําไม่ไม่อยากจะทําเพราะว่า ติดสงบอันนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องมีความพอดีระหว่างสมาธิกับวิริยะนะเช่นเดียวกันเนี่ยมีศรัทธามากไปนะก็อาจจะงมงายได้เพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาด้วยต้องมีปัญญาเข้ามาเข้ามากํากับหรือว่าทงดุลกับศรัทธาให้มีความพอดีนะระหว่างศรัทธากับปัญญาปัญญามากไปนะไม่มีศรัทธาก็จะกลายเป็นพวก หลงตัวลืมตนหรือว่าเป็นพวกที่เอาแต่เอาแต่กดข่มคนอื่นนะไม่ปฏิบัตินะอันนี้ตัวที่จะทำให้เกิดความพอดีระหว่างธรรมะสองสองอธรรมะที่เป็นคู่คู่เนี่ยนะตัวที่สำคัญคือสตินะ สติในอินสี่ห้าเนี่ยเราจะพบว่ามันมีธรรมะอยู่สองคู่แล้วก็หนึ่งอันนะสองคู่คือศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิแล้วก็มีสติเนี่ยอยู่โดดๆที่มีสติอยู่อยู่โดดๆกเพราะสติเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความพอดีนะสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาว่างวิริยะกับสมาธิ ถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยนะมันก็จะเอียงไปอันใดอันหนึ่งมากไปเช่นศรัทธามากไปหรือปัญญามากไปหรือไม่ก็วิริยะมากไปนะหรือไม่ก็สมาธิมากไปซึ่งทําให้เกิดความเสียหายได้หรือว่าไม่ไม่ได้ผลในการปฏิบัติก็มีเรื่องเล่า ว, ว่าสมัยที่พระอานนนะท์นะท่านได้รับ อมอบหมายนะจะเรียกว่ามอบหมายาให้มาร่วมสังคยนาครั้งที่หนึ่งนะหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยสามเดือนก็มีการทำปฐมสังคยนาก็มีเงื่อนไขว่าพระที่พระห้าร้อยรูปที่จะมาร่วมสังคยนานี่ต้องเป็นพระอรหันต์ก็ได้พระอรหันต์มาแล้วสี่ร้ยเกสิบเก้ารูปนะ อีกรูปหนึ่งก็คือพระอนนท์แต่พระอนนท์เนี่ยเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเข้ามาปฐมจะเข้ามาร่วมสังขารานี้ได้นี่ก็ต้องเป็นพระอรหันต์และที่ท่านต้องเข้าร่วมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทรงจําพระคําสอนของของพระพุทธเจ้าไว้เยอะมากเพราะว่าเป็นอุปถากรนะนะเป็นอุปถากนะเป็นปัจฉาสมณะนะติดตามพระเจ้ามาประมาณยี่สิบสาสิบปีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ ทรงจำคำสอนของผู้เจ้าได้ดีและดังนั้นเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องมาร่วมสังเกตนาแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นท่านต้องทำความเพียรท่านก็ทำความเพียรมาทำความเพียรมาตลอดเลยจนกระทั่งจะถึงวันสังเยานาแล้วท่านก็ยังปฏิบัติไม่ถึงไหนนะแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งคืนวันสุดท้ายท่านก็ทำความเพียร ทำคำเพียนข้ามคืนเลยจนถึงตอนเช้าหมุดก็ยังไม่บรรลุธรรมนะท่านก็รู้สึกเหนื่อยนะก็ก็เลยจะขอพักสักหน่อยในะระหว่างที่ท่านเนี่ยระหว่างที่ท่านานั่งพักเนี่ยเริ่มจะนั่งพักที่แคร่นะก้นนี่ก็สัมผัสแคร่แล้วเท้าก็ยก จากพื้นศีรษะก็อยังไม่ทันจะถึงหมอนเลยนะปพราะว่าพอท่านผ่อนคลายเนี่ยพอผ่อนคลายเลยนะก็บรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเป็นผ้รหันในท่าที่ไม่เหมือนใครนะก็คือว่าไม่ใช่ท่านั่งท่านอนแล้วไม่ใช่ท่ายืนหรือเดินนะไม่ได้อยู่ในเรียบ ท, ทั้งสี่เลยเพราะว่าอยู่ระหว่างคืรึ่งกลาง เท้าลอยจากพื้นส่วนศรีรษะก็ยังไม่ถึงหมอนนะก็มีคาอธิบายว่าที่ทําไม่บรรลุธรรมเพราะว่าท่านทำความเพียรมากทำความเพียรมากจิตเลยฟุ้งซ่านนะท่านก็คงรู้นะว่าทำความเพียรมากไปต้องพักผ่อนอันนี้ก็อาชีวเห็นว่าเนี่ยทำความเพียรมากไปก็ไม่ใช่ว่าดีนะนะมันต้องมีความพอดีพอดี ความเพียรที่พอดีนี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิาริยสมมติวิริยสมมตาทําความเพียรแต่พอดีทําความเพียรมากไปนี่ก็มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านได้คราวนี้จิตของพระนรินทรท่านสมดุลนะตอนที่ท่านกําลังจะพักนะพอพักนี่จิตก็ผ่อนคลายที่เคยตึงก็เคยก็กลับมาสู่ความสมดุลก็บรรลุ ธ, ธรรมเลยก็เป็นนั้นว่า สามารถจะไปร่วมสังฆณานได้นะนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการปฏิบัติธรรมสมควรแกทธ ร, รมนี่ก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติต้องต้องเข้าใจนะแล้วก็นอกจากจะรู้จุดมุ่งหมายของธรรมะแต่ละข้อที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าการทำความพอดีเนี่ยนะระหว่างธรรมะแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะ ทำสมาธิมากไปวิริยะอ่อนก็ไม่ได้นะหรือว่าวิริยะทำความเพียรมากไปแต่สมาธิอ่อนก็ไม่ได้เหมือนกันและตัวที่จะทําให้เกิดความพอดีพอดีนะก็คือสตินั่นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบสติว่าเหมือนกับอาสารถีนะที่คุมรถม้าม้าศึกนะม้าศึกมันก็มีหลายตัวนะสมมติมีสี่ตัวเนี่ย นะมันก็ต้องแต่ละตัวแต่ละตัวก็นี่ก็ต้องพอดีพดีนะต้องวิ่งได้ประสานกันและตัวและคนที่ทําให้วิ่งได้พอดีพดีประสานสอดคล้องก็คือสารถีนะอันนี้คือเปรียบได้กับสตินะสะติก็ทรหน้าที่ทําให้ศรัทธาปัญญาวิริยสมาธินี่นะไปได้นะอย่างสอดคล้องกัน ทั้งห้าเนี่ยเราเรียกว่าอินซีห้าหรือพระห้านะก็มีอ่าสตินี่แหละนะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความพอดีพอดีนะให้ธรรมะนี่นะไปด้วยกันได้อย่างสอดคล้องกันอันนี้ก็เป็นหลังในการปฏิบัติหน้าที่พวกเรานะจะต้องระลึกไว้เสมอนะไม่ใช่ว่าทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ทำแบบแต่พึ่ตะพือ หรือว่าไปติดที่รูปแบบนะไปสนใจแต่รูปแบบว่าเออมันต้องยกมือนะมันต้องอนั่งหลับตานะหรือว่าเดินจงกลมนะจริงๆมันไม่ได้ที่รูปแบบเลยนะไม่ว่าทำอะไรถ้ามีสติมีความสึกตัวนะแล้วก็มีความพยายามที่จะรู้เท่าทันกิเลสนะพยายามปล่อยวางหรือว่ามา ไมให้กิเลสเข้ามาครองใจนะก็เป็นการปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าจะยังกําลังถูฟันอยู่กําลังอาบน้ําอยู่หรือว่ากําลังนอนอยู่ก็ก็ตามนะอย่างพระนร น, น, นีิท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมในขณะที่เดินจงกรมนะหรือว่านั่งนะท่านก็บรรลุธรรมในขณะที่กำลังจะพักผ่อนนะอันนี้ให้ให้เราจับหลักให้ได้ของการปฏิบัตินะมันถึงจะเกิดผล